วัตติวาล 1. อุปาทวาล 1. ปัจจุปันนาวาลบ่ด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล 19. อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกําลังเกิดวัดจีสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ ในอุปาทขศนาแห่งลมอัศสา ะ, ะปัสสะสะซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารณ์กายสัาางขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งลมอัศ ส, ส, สะปัสสะสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและของบุคคลผู้บัตยู่ในกามาวจรภูมิกายสัาางขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและวจีสังขารก็กำลังเกิดปฏิลมปุจฉา วจีทั้งขาของบุคคลใดกำลังเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในอุปาทขศนาแห่งบิดตกและวิจารณ์ซึ่งเว้นจากโลมอัศสะปัสสะวัจีทั้งขาของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่กายทั้งขาไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งลมอัศสะปัสสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและของบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิ วจีตั้งขางของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและกายตั้งขางก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉากายตั้งขางของบุคคลใดกําลังเกิดจิตั้งขางของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตั้งขางของบุคคลใดกําลังเกิดกายตั้งขางของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา ในอุปาทขศนาแห่งจิตตึงเว้นจากลมัอาสะปัสสะจิตตังขานของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่กายตังขานไม่ใช่กำลังเกิดในยุปาทขศนาแห่งลมัอาศะปัสสะจิตตังขานของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและกายตังขานก็กำลังเกิดยีสอนุโลมปุจฉาว่าจีตังขานของบุคคลใดกำลังเกิดจิตตังขานของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิรมปุจฉาจิตต์ั้งขานของบุคคลใดกําลังเกิดวัจีทั้งขานของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขคณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารณ์จิตต์ั้งขานของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่วจีทั้งขานไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขคณะแห่งวิตกและวิจารณ์จิตต์ั้งขานของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด วจีทั้งขาก็กำลังเกิดอนุลมโอกาส21อนุลมปุจฉากายยตั้งขานในภูมิใดกําลังเกิดวัดจีตั้งขานในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในทุติยชาและตะติยชานในชา น, นั้นกายตั้งขากําลังเกิดแต่วัจีตั้งขาไม่ใช่กําลังเกิดในปฐมชาและในกามาวจรภูมิ ในภูมินั้นกายทั้งขานกาลังเกิดแล pues ะวัจีทังขานก็กาลังเกิดปฏิโลมปุจฉาวัจีสั้งขานในภูมใดกาลังเกิดกายสังขารในภูมินั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาในรูปาวจรภูมและอรูปาวจรภูมในภูมินั้นวจีสังขารกาลังเกิดแต่กายทั้งขานไม่ใช่กาลังเกิด ในปฐมชาตและในกามาวจรภูมิในภูมินั้นวจีทังขานกําลังเกิดและกายทั้งขานก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉากายแต่ังขานในภูมิใดกําลังเกิดจิตสั้งขานในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตสั้งขานในภูมิใดกําลังเกิดกายแตั้งขานในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาในจตุทชาต และในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิในภูมินั้นจิตต่ั้งขานกําลังเกิดแต่กายทั้งขานไม่ใช่กําลังเกิดในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและในกามาวจรภูมิในภูมินั้นจิตต่ทั้งขานกําลังเกิดและกายทั้งขานก็กําลังเกิด 22. อนุโลมปุจฉา วจีทั้งขาในภูมิใดกําลังเกิดจิตต่ั้งขาในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตต่ั้งขาในภูมิใดกําลังเกิด <cents. S 1> วจีทั้งขาในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในทุติยชาตติยชาตและจตุทชาตในชาตนั้นจิตต่ั้งขากําลังเกิดแต่วจี sty. ทั้งขารไม่ใช่กําลังเกิด ในปฐมฌานและในกามาวาจรภูมิรูปาวาจรภูมิอรูปาวาจรภูมิในภูมินั้นจิตตังขานกําลังเกิดและวจีสังขานก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอนุโลมปุกคโลกาฏยีสิบอนุโลมปุจฉ า, 23, ากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดละในวงเล็บ คำที่ท่านกําหนดว่าบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันปัจจินีกับบุคคล24อนุโลมปุจฉากายตั้งขาของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดว จ, จีทั้งขาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในอุปาทัคณะแห่งวิตกและวิจารซึ่งเว้นจากโลมาสะาสะปัตสสะกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่วัจจีทั้งขาไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งเว้นจากอารมณ์สาศะปัสสะจับุคคลผู้เข้านิโรธทศมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิกา ย, ยทั้งขาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและวัจจีทั้งขาก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิรมปุจฉา วจีทังขานของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดกายทั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจติชนาในอุปาทัคณะแห่งล ม, มาสาาัสสาสะปัสสาสะซึ่งเว้นจากวิตตกและวิจารวจีสั้งขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่กายสังขามิใช่ไม่กำลังเกิดในพังขัณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัคณะแห่งจิตที่ไม่มีทั้งวิตตกและวิจาร ซึ่งเว้นจากรมอาศะปัสสะตะบุคคลผู้เข้านิโรธรมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาตต ภ, ภูมวจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและกายทั้งขารก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉากายสังขานของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตแต่ทั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุ ป, ปาทคณาแห่งจิต ึเว้นจากโรมัสซาสปัสสาส ะ, สาสะกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้เข้านิโรัสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาตตภูมิกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชชา จิตตั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดกายตั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ 25. อนุลมปุจฉาวจีตตั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตตั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนะนายุปาทัศนาแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกละวิจารณ์วจีตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่จิตต่ทังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์ฆาณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้เข้าอุบัติอยู่ในอสัญญาัต ภ, ภูมิวัจีทังขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตต่ั้งขานก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิรอมปุจฉาจิตแต่ังขานของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดวัจีทังขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา ใช่ปัจจนีกโอกาส26อนุโลมปุจฉากายสังขารในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดวั จ, จีสังขารในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาะในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นกายสังขารไม่ใช่กําลังเกิดแต่ว จ, จีสังขารมิใช่ไม่กําลังเกิดในจตุตถฌาน ในสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นกายทั้งขาไม่ใช่กําลังเกิดและวจีทั้งขาก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชชาวจีทั้งขาในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดกายทั้งขาในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในทุติยชาและตติยชาในชานั้นวจีทั้งขาไม่ใช่กําลังเกิดแต่กายทั้งขาไม่ใช่ไม่กําลังเกิด ในจตุทชาญและอสัญญาตตภูมิในภูมินั้นวจีทั้งขานไม่ใช่กำลังเกิดและกายทังขานก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉากายทังขานในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตต์ังขานในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนะในจตุทชาญและในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นกายสั้งขานไม่ใช่กาลังเกิด แต่จิตต hm. ่ั้งขานไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในสรญยัตตภูมิในภูมินั้นกายแต่ตั้งขานไม่ใช่กําลังเกิดและจิตต MM ่ั้งขานก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชฌาจิตต่ั้งขานในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดกายตั้งขานในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่27อนุโลมปุชฌาว่าจีตั้งขานในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด จิตตสังขารในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนะในทุติยชาญตติยชาตและจตุตถชาญในชานั้นวจีสังขารไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตตะสังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอาจารยตัตภูมิในภูมินั้นวจีสังขารไม่ใช่กำลังเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโมปุชชา จีตั้งขาในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดวจีตั้งขาในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณีกับปุขคโลกาฏยีอนุโลมปุชฌากายะตั้งขาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดวจีตั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา ในอุปาทัศนาแห่งวิตกและวิจาร์ซึ่งเว้นจากโลมาสาสะปัสสาสะกายสังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่วจีทั้งขามิใช่ไม่กำลังเกิดในพันข้าทนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่ไม่มีทั้งวิตตกและวิจารณ์ซึ่งเว้นจากโลมาสาสะปัสสาสะบุคคลผู้บัติอยู่ในอตัตัญญาตตภูมิ กายสั้งขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่วจีทั้งขานก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโดมปุจฉาวาจีทั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดละวิจัชนาะใช่ในวงเล็บพึงขยายคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดแต่ของบุคคลใดลในภูมิใดให้พิจารณาโดยในอย่างเดียวกันกับในคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคล ใ, ใดในภูมิใด คำว่าของบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมีไม่ได้ 2. องอติตาวานว่าด้วยธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล29 ก, กากยสังขานของบุคคลใดเคยเกิดวัจจีสั้งขานของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไห ม, ว, มชชวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวัจีสังขานของบุคคลใดเคยเกิดละวิจัตชนาใช่ อนุโลมปุจฉากายต่ังขารของบุคคลใดเคยเกิดจิตแตังขารของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัิชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตแตังขารของบุคคลใดเคยเกิดละวิจัิชนาใช่30อนุโลมปุจฉาว่จีสังขารของบุคคลใดเคยเกิด จิตตะั้งขางของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวมจิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาจิตตะั้งขางของบุคคลใดเคยเกิดและวิจัชนาใช่อนุโลมโอกาส31อนุโลมปุจฉากายทั้งขางในภูมิใดเคยเกิดละคําที่ท่านกําหนดว่าในภูมิใด เหมือนกันทุกแห่งอนุโลมปุกคโลอกาดสามอนุโลมปุจฉากายยตังขานของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดวัจีตั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้เข้าทุติยชาและตติยชากายยตังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่วัจีตังขารไม่เคยเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมชาณ ได้บุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดวัจีสังขารก็เคยเกิดปฏิโดมปุชชาวัจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจติชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ วัจีทั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่กายทั้งขานไม่เคยเกิดบุคคลผู้เข้าวัมชานและบุคคลผู้บัตยู่ในกามาวจรภูมิวัจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและกายทั้งขารก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉากายทังขานของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจิตแตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้น ก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโดมปุตชาจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้เข้าจตุตฌานและบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่กายสังขารไม่เคยเกิด บุคคลผู้ขับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและบุคคลผู้บัตยู่ในกามาวจรภูมิจิตตังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและกายตังขานก็เคยเกิดสามสิบสามอนุลมุจิฉาว่าจิตตังขานของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจิตตังขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจตันาใช่ปฏิโมดมุจฉา จิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดวดจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้เข้าทุติยชาตตติยชาตและจตุติยชาตเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในตุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่จิตต่สังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่วจีสังขารไม่เคยเกิดบุคคลผู้เข้าวัตมชาต ได้บุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิจิตตังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดได้วัจีสังขารก็เคยเกิดปัจจินีกับบุคคลสามอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดไม่เคยเกิดปัจจีสังขานของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิตัตฉนาไม่มี ปฏิโรมปุตชากวจีตั้งขังของบุคคลใดไม่เคยเกิดกายตังขังของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัตชนาไม่มีอนุโลมปุตชากายตังขังของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตตังขังของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัตชนาไม่มีปฏิโลมปุตชาจิจตั้งขังของบุคคลใดไม่เคยเกิดกายตังขังของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหม วิจัชนาไม่มี 35. อนุรมปุชชาวัจจีส mm ังขารของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนะไม่มีปฏิโรมปุชชาจิตตาสังขารของบุคคลใดไม่เคยเกิดวัจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนะไม่มีปัจจณีกาโอกาส 36อนุโลมปุจฉักายะตั้งขาในภูมิใดไม่เคยเกิดและปัจจานีกับปุขะโลกาฏสามอนุโลมปุจฉัลกายตั้งขาของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดวจีตั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิ กายสังั้งขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่วัจจีทั้งขารมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้เข้าจะตุทะฌานเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตยู่ในอััญญาตตภูมิกายสังั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและวจจีทั้งขานก็ไม่เคยเกิดปฏิโรมปุจฉา วจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตะติยชาญวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในชาญนั้นไม่เคยเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้เข้าจะตุทชาญเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาสูมิเป็นไปอยู่ บุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญตัตภูมิวจีตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและกายตั้งขานก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉากายตั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจิตตั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใ ช, ใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้เข้าจตุตฌานและบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจารภูมิ อรูปาวจรภูมิกายสังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จิตตังขารไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจิตตังขารก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตตังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด กายสังขารของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่38อนุโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เข้าทุติยชาตติยชาตและจตุติชาต เมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่วจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จิตตั้งขานมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังบัตย์ในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญัตตภูมิวจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จิตตั้งขานก็ไม่เคยเกิดปฏิโมปุจฉา จตตสังขารของบุคคลใดในปุ่มใดไม่เคยเกิดวระจีตสังขารของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ 3. อนาคตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล39อนุโลมปุจฉากายสังขานของบุคคลใดจะเกิดวระจีตสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา ใช่ปฏิโลมปุชชาวัจีตังขานของบุคคลใดจะเกิดกายตังขานของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจฉิ ม, มจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแพ่งจิตใดในงเล็บในลำดับแพ่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิ อรู ป, ปาวจรภูมิแล้วปรินิพานกำลังจุติวจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่กายทั้งขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้วจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและกายทั้งขานก็จะเกิดอนุโลมปุจฉากายทั้งขานของบุคคลใดจะเกิดจิตต่ั้งขานของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตนะัชฉนาใช่ปฏิโลมปุจฉา จิตแต่ตั้งขางของบุคคลใดจะเกิดกายทั้งขางของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนะดชนาปัจฉิมมจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจารภูมิจะเกิดในลำดับแพ่งจิตใดในมุเล็บในลำดับแพ่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพาน กำลังจุตติจิตต่ั้งขานของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่กายทั้งขานไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จิตต่ั้งขานของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและกายทั้งขานก็จะเกิด40อนุโลมปุจฉาว่าจีทั้งขานของบุคคลใดจะเกิดจิตแต่ั้งขานของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัรนาะใช่ปฏิโลมปุจฉา จิตต่ทั้งขานของบุคคลใดจะเกิดวจีทั้งขานของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในมุมเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นจิตต่ั้งขานของบุคคลเ่านั้นจะเกิดแต่วจีทั้งขานไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จิตต่ั้งขานของบุคคลเ่านั้นจะเกิดและวจีทั้งขานก็จะเกิดอนุลมโอกาส4ี่ อนุโลมปุจฉากายยตังขันในภูมิใดจะเกิดและอนุโลมปุคโลกาฏสีอนุโลมปุจฉากายยตังขันของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดวจีตังขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจารนาบุคคลผู้เข้าทุติยชาและตติยชากายยตังขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่วจีทั้งขานไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิกายะทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแด้วจีทั้งขานก็จะเกิดปฏิรลมปุจฉาวัจีทั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดกายะทั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ ปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัตดอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแพ่งจิตใดในเว็บในลำดับแพ่งจิตนั้นและบุคคลผู้บัตดอยู่ในรูปปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าประตมชฌานและบุคคลนอกนี้ผู้บัตดอยู่ในกามาวจรภูมิ วจีตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและกายตั้งขานก็จะเกิดอนุโลมปุจฉากายตั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดายจะเกิดจิตตั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดายจะเกิดกายตั <t <t ้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ปัจชิมมจิตของบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจะตุทชฌานได้บุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิจิตจตสังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่กายตั้งขานไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌาน และบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิจิตต์ตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและกายตั้งขันก็จะเกิด43อนุโลมปุจฉาว่าจีตั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจิตตั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉา จิตแต่ตั้งขางของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดวจีตั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจนะัรนาปัจชิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแพ่งจิตใจในวงอเล็บในลำดับแพ่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าทุติยชาตตติยชาตและตะจาจุตชานจิตต่ั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่วจีตั้ง ข, งขางไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมชาต บุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิและบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในรูปปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิจิตต์ั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและวัจีตั้งขานก็จะเกิดปัจจนิกับบุคคล 44. อนุโลมปุจฉากายตั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดวัจีตั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาะปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในกา마วจรภูมิจะเกิดในลำดับแพ่งจิตใดในวงเล็บในลำดับเพ่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานกำลังจุติกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กับจะเกิด แต่วจีสังขารไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิ ม, มจิตปัจฉิ ม, มจิตที่ไม่มีทั้งวิตกกระวิจจานจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นกายยังสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและวัจีสังขารก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาวัาจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิด กายตังขางของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่อานุโลมปุจฉากายยตังขางของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตตังขางของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจฉิมจิตจของบุคคลผู้บัตอยู่ในกามาวาจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในมงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น ปัจฉิมพวิกาบุคคลในรูปาวจรนรูปาวจรและบุคคลเราได้จากอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานกำลังจุติกายตังขานของบุคลตตบ ค, ล ค, บคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จิตตะั้งขานไม่ใช่จะกไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตกายะตังขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดได้จิตตังขานก็ไม่ใช่จะเกิด ปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ 45. อนุโลมปุจฉาวัจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตตาสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัชิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น วจีทั้งขานของบุคลบ ค, ลลบคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จิตตาั้งขารไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยปัจฉิมจิตวจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจิตตาั้งขานก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตตาั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดวจีทั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปัจจณีกัโอกาส4ี อนุโลมปุชชากายยังั้งขานในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดละปัจจณีกับปุคโรกาต47อนุโลมปุชชากายยังั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดวจีตั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัิชนาะปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในมุงเล็บในลำดับแพลงจิตนั้นบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิกายสั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่วจีทั้งขานไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแพ่งจิตใดในมุงเล็บในลำดับแพ่งจิตนั้น บุคคลผู้เข้าจะตุติาฌานและบุคคลผู้บัตอยู่ในสัญญาัตตภูมิกายะทั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและวจีทั้งขางก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจชาาวจีทั้งขางของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดกายะทั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิ ด, ใ, น ใ, น ใ, นดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌาน วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งบิตกระบิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจะตุตตชาและบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้น ในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและกายยตังขางก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉากายยตังขางของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจิตตังขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัตยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น บุคคลผู้เข้าจะตุทะชาและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิอะรูปาวจรภูมิกายะตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จิตตั้งขานไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตและบุคคลผู้บัดอยู่ในอัญญจตตภูมิกายะตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจิตตั้งขานก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจฉา จิตตสังขารของบุคคลใด ใ, ในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดกายต่สังขารของบุค an, ตตบคล น, นัน BTS, ้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ 4.8 อนุโลมปุจฉาว่จีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจชิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับเพีงจิตใด ในวงเล็บในลำดับเพลงจิตนั้นบุคคลผู้เข้าทุาทติยชาตตติยชาตและจตุตถาชาตวัจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จิตต่สังขารไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร่มเพียงด้วยปัจจิมจิตและบุคคลผู้บัดอยู่ในตัญญตตภูมิวจีสังขารวัจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจิตแตสังขารก็ไม่ใช่จะเกิด ปฏิโรมปุชชาจิตต่ั้งขางของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดว่าจีตั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ 4. ปัจจุปันนาตีตะวนันว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล 49. อนุโลมปุชชากายสังขางของบุคคลใดกําลังเกิด วัจีทั้งขางของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวัจีทั้งขางของบุคคลใดเคยเกิดกา ย, ยทั้งขางของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังฆาขนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขนาแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมัสสาปัสสาส ะ, สาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอัญยญตตภูมิ วจีสังขานของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่กายตั้งขานไม่กำลังไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งโล ม, มัสสาจะปัสส า, าวจีตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและกายตั้งขานก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉากายตั้งขานของบุคคลใดกำลังเกิดจิตตั้งขานของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉา จิตตสังขารของบุคคลใดเคยเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังคัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตซึงเว้นจากโลมัสสาสะปัตสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธจะมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญสัตตภูมิจิตแต่สังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัศนาแห่งโลมัสสาตาปัสสาจา จิตต่ั้งขานของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและกายแตั้งขานก็กําลังเกิด50อนุโลมปุจฉาวจีตั้งขานของบุคคลใดกําลังเกิดจิตแต่ั้งขานของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตแต่ั้งขานของบุคคลใดเคยเกิดว่จีตั้งขานของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ในพังคัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตซึงเว้นจากวิตกกประวิจารณ์บุคคลผู้เข้านิโรธจมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาจตภูมิจิตแตสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่วจีตสังขารไม่ใช่เอกกำลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งวิตตกประวิจจานจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและวจีสังขารก็กำลังเกิดอนุลมโอกาส51 อนุลมปุจฉากายตังงขาในภูมิใดกําลังเกิดละอนุโลมปุกคโลกาฏห้สิบอนุลมปุจฉากายยังถงขานของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดวดจีตังขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทาขศนาแห่งลมัสสาตะปัสสาตะของบุคคลผู้เข้าทุติยชานและตะติยชาน กายยัังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่วัจีถังขานไม่เคยเกิดในอุปาทขณาแห่งลมัสสาสะปัสสาตะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิกายยังถังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและวัจีถังขานก็เคยเกิดปฏิโลมปุจชาวัจีถังขานของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด กายตังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาในพังคข้าณาแห่งล ม, มัอ า, าศะปัปตะจัะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิในอุปาทาขณาแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมอ า, าศะปัปตะจะบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ วจีสังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่กายตั้งขานไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณาแห่งโลมตาตาปตาตะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิว่าจีตังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและกายตั้งขานก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉากายตั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิด จิตต่ั้งขางของบุคคลนั้นในภู่มนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาจิตต่ั้งขางของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดกายตั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในปังคัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตซึ่งเว้นจากโลมาสาสะปัสสาสะจิตต่ั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นเคยเกิด แต่กายยตังขานไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัศนาแห่งลงมัสสาสสะปัสสาสสะจิตตังขานของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นเคยเกิดและกายยตังขานก็กำลังเกิด53อนุโลมปุจฉาว่าจีตังขานของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดจิตตังขานของบุคคลนั้นในภูม่มนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉา จิตตะั้งขานของบุคคลใดในปุ მ ใดเคยเกิดว่าจีทั้งขานของบุคคลนั้นในปมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังคัณนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตตึ่งเว้นจากวิตตกและวิจารณ์จิตตะั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในปุ მ นั้นเคยเกิดแต่ว่าจีทัท้ทงขานไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งวิตตกและวิจารณ์จิตตะั้งขานของบุคคลเหล่านั <Diese API> 응้นในปุ მ นั้นเคยเกิด วัจ in er ีทั้งขานก็กําลังเกิดปัจจินีกับบุคคล54อนุโลมปุจฉากายทั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดวัจีทั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาวัจีทั้งขานของบุคคลใดไม่เคยเกิดกายทั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มี อนุโลมปุจฉากายตั้งขางของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตตตั้งขางของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัิชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตตตั้งขางของบุคคลใดไม่เคยเกิดกายตั้งขางของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิตัิชนาไม่มี 5.5 อนุโลมปุจฉาว่าจีตั้งขางของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด จิตตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดไม่เคยเกิดว่จีตะสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิจัชนาะไม่มีปัจจีกาโอกาส56อนุโลมปุจฉากายตะสังขารในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดละ ปัจจีปุกขโรกาสิบอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กาลังเกิดว จ, จีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังค ข, ขณะแห่งลมอสสาจะปัตสาจะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิ ในรูปารขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมัาศาตะปัสสะตะบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่วัจีสังขารไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังคขณะแห่งลมอาศาตะปัสสะตะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาตและตติยชาต นยุปาทัศนาแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากโลมัสสาจปัสสาจะเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้เข้าจะตุจชาญและบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัดอยู่ในอาจารยตตภูมิกายะทังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและวัจีทั้งขานก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุจฉา วจีทั้งขางของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดกายทั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทัคณะแห่งลอมอ า, า, าศาตปัสสะตะของบุคคลผู้เข้าทุติยชานและตะติยชานวจีทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่กายทั้งขางไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคัคณะแห่งลอมอาศะตะปัปาสสะตะของบุคคลผู้เข้าทุติยชานและตะติยชาน ในอุปาทัศนาแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากล ม, มัสาสาสะปัสสาสะเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้เข้าจะตุทชาญได้บุคคลผู้บัรอยู่ในสุทาวาดภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญสัตตภูมิวัจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและกายทั้งขานก็ไม่ใช่กาลังเกิดอนุโลมปุจฉา กายตั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตต่ั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชาในพังคัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตซึ่งเว้นจากโลมัสตาปัสสาจะกายตั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตต่ั้งขานไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในตุทาวาตภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอจัญยตตภูมิ กายตั้งขาของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตต่ั้งขางก็ไม่เคยเกิดปฏิโมปุจฉาจิตต่ั้งขางของบุคคลใดในปุ่มใดไม่เคยเกิดกายตั้งขางของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ 5.8 อนุโลมปุจฉาวัจีตั้งขางของบุคคลใดในปุ่มใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตต่ั้งขางของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิตัชนาในพังข้าณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาข้าณาแห่งจิตซึ่งแบนจากวิตกแะวิจารวาจีตั้งขานของบุคคลล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตต่ั้งขานไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังอบัติในสุทาวาตภูมิได้บุคคลผู้บัตอยู่ในสัญญตตภูมิวจีตั้งขานของบุคคลล่านั้นในภูมิ น, นั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตต่ั้งขานก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุชชา จิตต์ั้งขานของบุคคลใดในปู่มใดไม่เคยเกิดวดจีตั้งขานของบุคคลนั้นในปุมมนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่